M.P.3 แผ่นที่17ที่จะออกต่อไปตามลำดับมีคติธรรมหัวข้อว่าธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นสาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วเป็นอันว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธองค์จะปรินิพานไปแล้วก็ตามธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใด เพเหมือนกับพระศาสดาก็ยังอยู่ตราบนั้นในพระมลีที่พระพุทธองค์ประทานเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าถือว่าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังไม่มีพระศาสดาไม่มีพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธทเจ้าให้พวกเรายึดตามแนวแถวที่พระพุทธองค์ได้ประทานเอาไว้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ยัางคงเส้นคงวา อย่างหลักพระธรรมวินัยอย่างนี้ถ้าพวกเราอยู่ในกฎพระธรรมวินัยไป น, นสถานที่ใดก็เป็นที่เย็นตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นแต่ถ้าว่าพวกเราออกนอกรูนอกทางไม่ครบหลักพระธรรมวินัยเป็นพระที่ไม่มีศีลไม่มีฮิลิอตตปะไม่มีอย่างอายอนัชชิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายต่อบาป ไปนสถานที่ใดก็เป็นที่ลังเกียจเตียดสันอันดับแรกก็คือในหมู่คณะต่อไปก็พุทธบริษัทสี่เห็นแล้วก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมไม่อยากจะเข้ามาใกล้เพราะนั้นวินัยทรทร ม, รรมก็คือหลักเหตุผลทรรมคำสอนพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผล พระพุทธองค์ตรัสออกไปด้วยหลักเหตุผลมีหลายขั้นตอนสำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่ทานศีลภาวนาจนถึงวิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสล้วนแล้วจะเป็นธรรมทั้งนั้นแต่พวกเราจะยึดธรรมหลักไหนเป็นกฎเกณฑ์สรุปแล้วก็คือถูกด้วยกันถ้าว่าถูกด้วยหลักเหตุผลเพราะนั้นพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมตามวินัยผู้นั้นพระองค์นั้นคนในยุคนั้นอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็จะร่มเย็นเป็นสุขใจนั่นจะเป็นสุขถ้าพวกเราปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพวกเราให้พยายามตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมั่น ที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าอย่างที่ผมได้กล่าวว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วหลักธรรมวินัยนั่นแหลจะเป็นพระตาสดาแทนพระองค์ท่านเพราะนั้นให้พวกเรายึดหลักพระธรรมวินยัยเหมือนกับยึด菩萨ศ า, าถ้ายึดศาสดายึดท่านผู้ดีอยู่แล้วไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดหลักเหตุผลยึดของดี จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ยังไงถ้ายึดของเร็วออกนอกลูนอกทางเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละ น, นั้นแปลว่าผิดถ้ายึดของดีเป็นมักเป็นหนทางให้พวกเรายึดพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้พาพาดําเนินอย่างไรพาประพฤติปฏิบัติอย่างไรแนะนําสั่งสอนพวกเราอย่างไรให้พวกเรายึดพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางคือมักผลนิพพานไม่ต้องสงสัย พีสามแผ่นนี้ก็คงจะไม่ได้กล่าวอรัมพบทมากด้วยอำนาจคุณพระีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ ปรารถนาทุกประการเธอ